ผู้ที่จะฝึกสมาธิได้สำเร็จอันที่จริงข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับคนทั้งหลายที่กล่าวว่าการฝึกสมาธิให้ได้ถึงขั้นฌานและขั้นทิพยจักสุนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับคนที่อยู่ในเมืองแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังมีความเห็นยิ่งไปกว่านี้อีกกล่าวคือแม้คนบางคนจะได้สละบ้านเรือน